เรื่องเล่าเขย่าวขวัญผีเปรตหลอนขอส่วนบุญเรื่องผีเปรตนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนในสมัยเรียนมัธยมเป็นผู้เล่าให้ผมฟังซึ่งในตอนแรกเราคิดว่าผีเปรตไม่มีอยู่ในโลกนี้แต่เมื่อได้ยินเรื่องราวอันน่าขนหัวลุกจากเพื่อนคนนี้เราก็รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงผีมีอยู่ในโลกนี้จริงๆเพื่อนของผมเล่าให้ฟังว่าในชนบทเมื่อถึงเวลาเทศกาลชาวบ้านมักจะกลับบ้านและมาพบปะพูดคุย และจัดกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนาศาสตร์จีนซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนชนบทที่ออกไปทํางานและแสวงหาอาชีพในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีโรงงานหรือชุมชนอุตสาหกรรมอยู่เพื่อนสมัยมัธยมคนนี้ก็เช่นกันเข้าไปทํางานในจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอยู่มากมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งให้เลือกสมัครงาน และเขาก็าได้เป็นหนึ่งในจํานวนพนัก ง, งานบริษัทหรือโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเริ่มงานเขาจึงค้นหาห้องพักเช่ารายเดือนเพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้านซึ่งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดอ่างทองเพราะถึงแม้ว่าอ่างทองจะใกล้กับที่ทํา ง, งานแต่ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวและขับรถไปทํา ง, งานที่พระนครศรีอยุธยาดังนั้นเขาจึงหาห้องพักรายเดือนที่ไม่ค่อยจะแพงมากเพื่อประหยัดทั้งเงินเวลาการเดินทางและเพื่อสร้างความสบายให้แก่ตนเอง เขาบอกว่ามีหอพักซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์อยู่มากมายในอยุธยาและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างจังหวัดมาพักเพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางกลับบ้านเขาได้เลือกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทํา ง, งานพอสมควรเพื่อสะดวกในการเดินทางวันนั้นเขาได้ขนของเข้าที่พักเพื่อที่จะจัดของก่อนวันเริ่มงานซึ่งเป็นวันหยุดดังนั้นเพื่อนคนอื่นๆจึงมาช่วยกันย้ายของให้เขาด้วยพอขนของเข้าที่พักเสร็จแล้วเขาก็นั่งคุยกันพักใหญ่เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า จึงเดินไปซื้อเบียร์จากร้านขายของชำข้างๆมาดื่มแก้กระหายและบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยส่วนแฟนสาวซึ่งทำ ง, งานในบริษรัทใกล้ๆกันก็มาช่วยทำความสะอาดห้องพักและช่วยจัดของให้เข้าที่เข้าทางตามประสาผู้ชายเมื่อเบียร์เข้าปากก็ติดลมไม่ยอมกลับอยู่กินกันจนค่ำเมื่อเมาเต็มที่จึงแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งเขาเองเล่าต่ออีกว่าผมเลยไม่ได้กลับไปนอนบ้านนอนซะที่บ้านพักนั่นเลยเพราะว่าเมาจัดเลยไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้ข้าปลาไม่ได้กินนอนท่้นอย่างนั้นเพราะเหนื่อยจากการขนของด้วย และเพราะความเมาด้วยผสมกันไปเขายังเล่าต่อไปว่าพอตกดึกก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งกรีดน้องด้วยความโอยหวนเหมือนเจ็บปวดมากมายเสียงมันเข้าไปในแก้วหูจนตกใจเสียงมันโหยหวนติดตดการราว 4- ถึงหครั้งเห็นจะได้ผมจึงตกใจตื่นขึ้นมาแต่พอลืมตาก็นึกว่าฝันไปจึงลุกไปหยิบน้ําในตู้เย็นมากินด้วยความกระหายปนกับความหิวเนื่องจากช่วงหัวค่ำไม่ได้กินข้าว พอหันไปดูนาฬิกาก็ตกใจนี่มันปลาเข้าไปตี2แล้วคงหาอะไรกินรองท้องไม่ได้แน่นอกจากจะอาศัยมาม่าที่ซื้อติดไว้เพื่อเป็นสเบียงประทังความหิวคิดได้ดังนั้นจึงเดินไปเสียบกระติกน้ำร้อนที่เตรียมไว้นึกขอบใจแฟนสาวอยู่เหมือนกันที่เตรียมจัดข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและยังเติมน้ำใส่ไว้ให้ในกระติกอีกด้วยเขาเล่าต่อด้วยท่าทางขนหัวลุกแบบอาการเลือสีหน้าหวาดกลัวเล็กน้อยหลังจากนั้นผมก็มานั่งรอน้ำร้อนเดือดได้สักพักก็ได้ยินเสียงแปลกๆนั่นอีก แต่คราวนี้เสียงร้องนั้นยาวมากและนอกจากจะยาวมากแล้วยังโหยหวนมากจนสุดจะบรรยายรู้ไหมด้วยความสงสัยผมจึงออกไปดูข้างนอกหน้าห้องพักซึ่งเป็นระเบียงยื่นออกไปแต่ก็ไม่มีใครแถมห้องข้างๆยังไม่มีปฏิกิริยาว่าจะออกมาดูเหมือนผมเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงดังโอยหวนนั้นเลยผมจึงเข้าไปนั่งในห้องตามเดิมประกอบกับความหิวจึงหยิบมาม่ามาใส่ชามแล้วก็กดน้ำร้อนจากกระติกน้ำร้อนใส่ชามกดยังไม่ทันจะพอเลย สิ่งนี้นก็ดังขึ้นมาอีกผมตกใจสะดุ้งสุดตัวจนน้ำร้อนแทบจะลวกมือเลยคราวนี้ด้วยความมโหคิดว่าใครควรจะมาแกล้งเล่นตลกหรือว่าเพื่อนที่ทํางานพาจะมาแกล้งก็ไม่รู้เพราะว่าที่พักพวกเขาก็อยู่ติดติดกันกันกบอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ออกไปดูหน้าห้องอีกครั้งครั้งนี้ก็ไม่พบอะไรอีกจึงออกไปดูระเบียงหลังห้องซึ่งเป็นระเบียงที่มีไว้สําหรับนั่งเล่นหรือตากผ้าแต่คราวนี้ถึงกับต้องอ้าปากค้างเพราะเมื่อออกไปดูตรงระเบียงหลังห้องผมก็ต้องตกใจสุดขีด เมื่อเห็นอะไรก็ไม่รู้ตัวสูงกว่าที่พักผมหลายเท่าเป็นเงาสูงตัวยาวขายาวแถมแขนยาวเกือบลงมาถึงเท้าแต่มือของเจ้าตัวอะไรที่ว่านี่สิใหญ่จนมันแทบจะยกไม่ไหวเลยผมพยายามขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อจะดูว่าตาผมฝาดไปหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าเกือบจะชนกันเลยก็ว่าได้เป็นเงาดำๆเหมือนเดิมไม่ได้ตาฝาดเลยมือไวเท่าความคิดได้ปิดประตูลงกรอนเหมือนกับว่าถ้าไอตัวอะไรไม่รู้จะเข้ามาต้องเข้าไม่ได้แน่ๆเพราะผมลงกรอนไว้แล้ว หลังจากนั้นก็มานั่งทบทวนอยู่บนเตียงว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรกันแน่ใจก็นึกถึงเรื่องที่ตายายเล่าให้ฟังสมัยเด็กๆผีเปรตนะถ้าเถียงพ่อเถียงแม่ต่อไปจะกลายเป็นเปรตนะปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานกินข้าวได้ทีละเม็ดจําไว้ต่อไปอย่าเถียงพ่อแม่อีกรู้ไหมความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวนี่ผมเห็นเปรตตัวจริงใช่ไหมทําให้สิ่งที่คิดกลายเป็นเรื่องที่อยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ ผมจึงออกไปเปิดประตูอีกครั้งด้วยความกล้ากลัวกลัวแต่ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างที่อยากเห็นอีกเลยแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือวัดเก่าๆกับโบสถ์ของวัดที่มีความสวยงามซึ่งผมเพิ่มสังเกตว่าหลังที่พักของผมเป็นวัดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอายุธยานั้นวัดแทบจะมีอยู่ทุกตารางนิ้วก็ว่าได้ผมจึงกลับเข้ามานั่งกินมาม่าด้วยความหิวเช้า ว, วันรุ่งขึ้นผมจึงได้โทรตามเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมวงกับผมเมื่อคืนนี้ให้มาหาผมที่ที่พัก ทุกคนก็รีบมาด้วยความมึนงงว่าผมจะโทรตามมาทำไมพอเพื่อนเพื่อนมาถึงผมก็เล่าสิ่งที่ผมพบเมื่อคืนให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนๆนก็หัวเราะกันด้วยความขบขันเพราะทุกคนคิดว่าผมเมาคงจะฝันและก็คงละเมอไปเองแต่เมื่อผมทำหน้าจริงจังพร้อมกับยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้ละเมอเพื่อนทุกคนก็เลยมองหน้ากันมีเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่า พี่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเปรตเขามาขอส่วนบุญเองซิวะก็คนแก่เขาบอกกันว่าถ้าใครเห็นเปรตแสดงว่าเปรตมาขอส่วนบุญคนคนนั้นก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะมาขอเรื่อยๆไม่ยอมไปไหนเพราะเขาไปผุดไปเกิดไม่ได้เขาเป็นเปรตทุกคนมองหน้ากันแล้วก็คิดตามเพื่อนเพราะทุกคนก็ได้ยินจากคําบอกเล่าของปู่ย่าตา ย, ายายเหมือนๆกันวันนี้ทุกคนเลยไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์กันเหมือนเคยต่างแยกย้ยายกันกลับบ้านไปเพื่อนของผมเล่าต่อไปอีกว่า ผมเลยกลับบ้านที่อ่างทองกลับไปหาแม่แล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ยังหัวเราะเลยหาว่าผมเมาเหมือนกับเพื่อนๆที่ว่านั่นแหละแต่ยายเดินเข้ามาพอดียายเลยเรียกผมไปนั่งคุยยายบอกผมว่าหลานต้องไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขานะแสะดงว่าเขามาขอส่วนบุญจากหลานจริงๆเปรตเขาไม่ได้ให้ใครทุกคนเห็นได้ไง่ายๆนะเขามีกรรมเยอะมากจนตายไปกลายเป็นเปรตไม่สามารถไปไหนได้ต้องเดินวนเวียนอยู่ตรงโบสถ์เท่านั้น ต่างจะผีอื่นๆที่วิญญาณสามารถล่องลอยไปไหนได้ตามแต่จิตเขาคิดแต่เปรตกำหนักเขาต้องทำบาปอะไรที่หนักหนาสาหัสเขาจึงไม่สามารถไปไหนได้ยายยังบอกอีกว่าถ้าไม่เชื่อยายลองดูพอถึงวันโกนวันพระหน้าหลานก็จะได้ยินเสียงหวีดร้องของเปรตอีกไม่เชื่อยายก็ลองดูในใจของผมนั้นก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าเขาจะมาขอส่วนบุญเขาอาจจะมาหลอกให้กลัวเล่นๆ เ, เหมือนการรับน้องใหม่เพราะผมเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ และด้วยความเมาก็ยังไม่มีการไหว้บูชาพระภูมิเจ้าที่เลยก็คงเป็นผีมาทักทายต้อนรับน้องใหม่มากกว่าผมจึงไม่สนใจที่จะใส่บาตรหรืออุทิศส่วนบุญส่วนขุนส่วนให้ใครลําพังตัวเองก็ไม่ค่อยมีบุญมากเท่าไหร่อยู่แล้วประกอบกับวันต่อไปผมต้องไปทํางานจึงไม่มีเวลามาทําบุญอุทิศให้ใครต่อใครซึ่งผมไม่รู้จักก็ว่าได้หลังจากที่ได้ทํางานไปประมาณ15วันผมก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่สังสรรค์กับเพื่อนๆ เ, เ, เหมือนเคยผมก็นอนหลับไปเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุด พอตกดึกผมก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเดิมที่เคยได้ยินแต่แทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าเคยเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นวันแรกที่เข้ามาอยู่ในห้องพักแห่ง น, นี้คราวนี้ผมตกใจตื่นด้วยความที่ไม่เมามากนักและไม่มีอาการอ่อนเพลียเท้าไวเท่าความคิดรีบเดินไปที่ประตูระเบียงหลังห้องเปิดออกไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นมาจากที่เดิมหรือไม่ภาพที่ได้เห็นนะผมตกใจมากคราวนี้ไอ้เงาดําๆที่เขาเรียกกันว่าผีเปรตหันหน้ามาทางผมแล้วก้มหน้ามาให้เห็นชัดๆ หน้าใหญ่ยาวบิดเบี้ยวมองไม่เห็นตามันกลวงโบแถมปากก็เป็นรูจมูกไม่มีโพรงจมูกมันบุ๋มหายไปทําให้เห็นความน่ากลัวของใบหน้า น, นั้นแถมเจ้าผีเปรตยังยื่นมืออันใหญ่แบบไม่มีนิ้วมาที่ผมเหมือนจะขออะไรสักอย่างทำให้ผมตกใจแทบยืนไม่อยู่อาการขนหัวลุกนั้นเรียกว่าขนลุกไปทั้งตัวเลยจะก้าวขาก็ก้าวไม่ได้เกิดอาการที่เขาเรียกว่าก้าวขาไม่ออกตัวแข็งชาไปหมดนึกอยู่ในใจสวดมนต์แล้วก็พยายามนึกในใจว่า แล้วจะทําบุญไปให้อย่ามารบกวนกันอีกเลยพยายามพูดแบบนั้นเจ้าเปรตก็ไม่ยอมไปยังคงยืนขออยู่แบบนั้นผมจริงท่องนโม3ามจบเสร็จแล้วก็ท่องบทอุทิศบุญกุศลให้แล้วก็กล่าวในใจว่าผมอุทิศบุญให้วันนี้เลยนะแล้วพรุ่งนี้ผมจะใส่บาตรไปให้กินอีกนะหลังจากสิ้นคําอธิษฐานในใจร่างดําๆนั้นก็หายไปเลยผมตกใจแต่เหมือนร่างกายสามารถขยับได้รีบปิดประตูแล้วก็ลงกรอนเดินกลับไปที่ที่นอนคลุมโปงนอนไปเลย รุ่งเช้าไม่รอช้ารีบตื่นมาใส่บาตหลวงตาที่ผมใสบาตมองหน้าผมแล้วกล่าวลอยๆว่าเป็นไงโยมเจอดีเข้าแล้วใช่ไหมละ่ะถึงได้มาใส่บาตก็อุทิศให้เขาไปเขาได้ไม่มากวนอีกนะผมได้แต่พยักหน้ามองหน้าหลวงตาและคิดว่าสิ่งที่หลวงตาทักเป็นการยืนยันว่าผมได้เจอกับเปรตตัวจริงสินะแบบนี้และนับจากวันที่ผมได้ใสบาตและอุทิศบุญให้เขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงเขามาร้องอีกเลย เรื่องราวของผีเปรตก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆละ่ะเคยเจอเรื่องราวเกี่ยวกับผีเปรตบ้างไหมเล่ามาได้นะครับใต้คอมเมนต์สวัสดีครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ